นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นการบัดเนี้เป็นการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีมาตั้งแต่สมัยสัพพุท ธ, ธเจ้านี่ใชว่าพึ่งนี้ การนั่งขัดสมาธินี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มาีเริ่มใหม่คือวันที่พระพุท ธ, ธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ล่มไม่โพธิ์ที่คนเรานับถือต้นไม่โพธิ์คือว่าต้นโพธินั้นเป็นที่พระพุท ธ, ธเจ้านั่งสมาธิภาวนาแต่การนั่งข้างนั้นพระองค์ นั่งแบบเสียสลักหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะนั่งให้มันตายนะนั่งคับสมาธิเงี้นไม่ใช่พระองค์ทําเล่นเอาจริงแนละที่ในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันยิษากะบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าของเรา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 ข้ามแม่น้ำมาก็มาถึงต้นไม้โพนั่นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วพระองค์ชอบพระทยว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ปรัสรู้จริงๆที่ล่มไม้นี้ตามกำนานโบราณว่าต้นไม้โพต้นนั้น กับอายุกระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าปีเดียวกันพระพุทธเจ้าประสูติปีนั้นต้นไม้พอต้อนนั้นก็เกิดในปีนั้นก็โยในสามสิบห้าปีต้นไม้ธรรมดาก็าตามต้นไม้โพก็าตาม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 ถ้าไม่ได้ตัดสุขก็พระองค์จะไม่ไปบินถบาทไม่สวยอาหารร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ต้องตายแต่ีนเมื่อเอาตายสู้มาอะไรอะไรก็มาสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิ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 เมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นกําลังจิตกําลังใจนั้นแย่กว่ามารวมกันหมดบารเีธานะบาลเมศีนะบารเมีบารมนะีทั้งหลายแหลที่พระองค์บําเพ็ญมาสีอสมัยแสนมหากัมมาลุ่มล้อมจิตใจของเคระองค์ให้กล้าหารกล้าสละชีวิตลงใส่ได้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 ความเน็ดเหนืยเมื่อหิวอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เนี่ยพระองค์ข้ามได้ท่านว่ายางหนักก็ไปถึงแค่ตายคนเรามันไม่เลยตายไปเลยแค่ตายแต่นั้นแะของมันยังไม่ตายเราจะไปกลัวทำไมโรอไม่ต้องกลัวจิตใจของพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดตายก็ช่างมัน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 เวลาสูดลมเข้าไปมันก็ผ่านดวงจิตจิตนั้นมันไม่ใช่มีรูปร่าง่ันว่าเป็นนามธรรมนามธรรมกับรูปธรรมมาอยู่ด้วยกันก็เลยให้ชื่อว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโูของโกจิตอันนี้มันมาเย็ดอยู่นี่ลระ อ, องไม่ให้จิตใจไปเย็ดถืออะไรทั้งหมด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 เคยโยที่กายโยที่กายเอากายนี่เป็นที่เป็นภาาสนะเป็นเครื่องรับรองเอาดวงจิตผู้รู้โยภายในเป็นผู้ภาวนาอนาปารลมหายใจเข้าออกพระองค์กาหนดอย่างนั้นเรื่อยไปจนจิตใจไม่คลั่งเถือเป็นสติปัฏฐาน ทั้งี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมจิตของพระองค์ระลึกอยู่ในกายในจิตไม่ไปที่อื่นไม่ให้มันไปที่อื่นไม่ให้ไปยินดียินลายนอกนี้ออกไปเมื่อนึกเจริญหนักเขา้าเองจิตของพระองค์ก่อนนึกได้อีกขั้นหนึ่งว่า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 คนเราที่ตายแล้วมีสมบัติพัสดาฐานทรัพย์สินเงินทองบริวารชนทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้แค่นั้นแม่ตัวเองพอตายลงไปเท่านั้นแนละจะมาจัด ก, การศบตัวเองก็ไม่ได้ต้องทิ้ง สดแท้แต่มนุษย์ที่เขายังอยู่เขาจัดการอย่างไรก็ตามเรื่องเขาพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งครับเรียกว่ า, ม ร, ม, ม, ามรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดเจริญให้ถึงถึงคําว่ากรรมฐานคือความตายจิตมันมองเห็นได้ว่าความตายมันเป็นความจริง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 นั่งโยดีๆพูดโยกับเพื่อนฝูงเดี๋ยวกดเกิดวิกฤตเวียการขึ้นมาโลหิตในเส้นสมองแตกบ้างเขาก็ว่าไปเป็นภาษาแค่ภาษาหมอก็คือเรื่องแตกกายนั่นแหละคนเรานั่นเมื่อมองเห็นความตายแล้วอะไรอะไรสลาบได้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 จะสมมติว่าสูงขนาดไหนก็าตามเมื่อมรณะใัยคือความตายมาถึงเข้าทุกอย่างต้องจำยอบความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงให้จิตใจเราผู้ภาวนาพุทโธก็ดีนึกถึงความตายก็ดีให้มันซึมซาบเข้าในจิตเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมันผิวเผด จิตมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยังข้ามอยู่ในใจนะทันเจ็ดหนึ่งว่าเราต้องตายนะมันยังไม่ตา ย, นะยอยู่อยู่อะไรเราก็ยังไม่พออยากแช่ให้รออย่างนั่นก่อนอย่างนี้ก่อนขอกับพยายามมาจุลาดคือความตายก็คงได้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 ตายก็มีอย่างพุทธมารดาพระพุทธเจ้าของเรานะ่ประสูติได้เจ็ดวันเท่านก็สวรรคตยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตัดสุลูเลยตายเสียก่อน แต่พระเจ้าสุโทโธธนะพุทธดีดาอายุยืนจนแก่ชราจึงสวรรคตก่อนจะสวรรคตก็ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลขั้งสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหาันตาในหอปราสา พระพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จไปทาชาปนกิจด้วยพระองค์เองกับพระยุลยาตณเพราะพระเจ้าสุทโธทนะจิตใจเข้มแข็งบํามเพนทานรักษาศีลภาวนาอยู่ในหอปราสาทลาภสมนฺิีนยู่ในความสกขสบายท่านไม่ยึดถือ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 เรียกว่าแข่งขันกันในการภาวนาคือว well, ่าใครจะได้สำเร็จมรรคผลก่อนกันผู้ที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระโสดากเกียรพยายามทุกอย่างเพื่อแหได้ละสกายทิฏฐิวิจิคิษฐาศสีละพตตาปรามาให้เด็ดขาดลงไป จนเป็นพระสวดาเป็นพระสกิธาคาเป็นพระอันนาคาถึงขั้นเป็นพระอราหาันตาก็มากมายในสมัยขั้งพุทธกาลคือท่านตั้งใจทมจริงๆเพราะมีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นพยานเป็นหลักฐานอันพระพุท ธ, ธเจ้านั้นเรียกว่า โพลิสารักขนะสวยงามนอกจากสวยงามตามบุญบารมีแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่คนเราได้เห็นก็คือว่ารัศมีหกประการมีสีข้อออกไปจากพระวราายข้างละวาระาไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนรัศมีหกประการนั้นก็ สว่างรอบพระองค์อันนี้อันหนึงนะ่งเมื่อคนได้เห็นได้กราบได้ว่าแล้วก็พาให้จิตใจมีกำลังในการทำบุญให้ทานในการรักษาสินห้าสินแตในการเจริญภาว น, นาปฏิบัติบูชาจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย เมื่อได้เห็นแล้วจิตใจมันก็มั่นคงเต็มร้อยเปอร์เซนต์กว่าๆคือศรัทธามไม่ถอยคนสมัยก่อนโน้นแต่คนสมัยนี้นั้นมันไม่เห็นมันได้ยินแต่เขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่คนสมัยก่อนเขาได้รู้ได้เห็นมันเป็นความจริง ทเนตเจตใจเขาก็ลกขึ้นละมันลกขึ้นทำความดีลกขึ้นว่าพระสวดมนต์ไม่ท้อถอยลกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาแค่นั่งขัดสมาธิเนี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็โลภร่างกายแข่งขาตัวของเราทดแท้แต่เราจะนั่งแบบไหนมันนั่งได้ทั้งนั้นแต่จิตนั่นเรามัน กิเลสในจิตมันไม่ยอมไม่ยอมให้นั่ง้านั่งได้ใจมันจะได้ห่างไกลจากกิเลสแล้วกิเลสมันกิเลสท่านว่าเป็นมารมารก็คือว่าผู้คอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาย่อมมีมารมาเบียดเส่อมาเบียดเดนมารมาห้ามห้ามไม่ให้ทำ เนี่หละถ้าเรารู้กลมานยาสาไถของมานกิเลสแล้วการนั่งสมาธิภาวนามันนั่งได้ไม่กลัวอย่างกระพุติจาท่านไม่กลัวทำไมท่านจึงไม่กลัวก็ท่านรู้รู้ว่ายังไงรู้มันก็แค่ตายเลยมันไม่เลยตายนะ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 ทั้งๆ ท, ที่พระวรกายองค์ของท่านร่างกายของท่านก็เป็นคนโลคเฒ่าพยามหมาหะกระสัไม่มีการงานอันหยาบโยมาในความสุขความสะดวกท่านยังทําได้ท่านยังละกิเลสความโกรธได้ท่านยังละกิเลสความโลภความหยากได้ออกไปได้ ท, ทั้งข้างที่นี่แล้วท่านก็ยังละได้ปล่อยได้วางได้เนี่ยจนเหลือเผื่อท่านยังละได้วางได้ oh. คนเราคือวัดเจ็นที่จิตจิตมันยังไม่พอคือเจ็ตไม่ภาวนาให้มันพอไม่กำหนดพิจารณาให้มันพอให้มันรู้มันเห็นถ้ามันแจ้งในเรื่องทุก การเกิดมาแล้วเรื่องทุกข์มันมากเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกข์มันรู้จักที่แลกในใจมนุษย์คนเรามันรู้จักแต่จะเพิ่มทุกข์หาทางเพิ่มทุกข์ขึ้นมาก็ดูจะว่าไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาคนเดียวมันก็สุขสบายพอแรงแล้วแต่ก็ไปหิ้วเข้ามาหาเข้ามา มีลูกเต่าสรารเล็นสามีภรรยาเลือกสวนไล่น้าค่าราาักษาแบกเข้ามาหาบเข้ามาบรนทุกใหญ่ก็ลเลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองาการทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เบาไปจิตมันไปหนักไปทางกิเลส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 ด้วยรถ ด, ด้วยยานพาหนะที่ตัวพานำไปมาเป็นเหตุทั้งๆ ท, ที่คนเราก็ไม่ต้องการแต่มันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไปห้ามไม่ได้กั้นไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงรีบเร่งภาวนา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 จิตมันก็วางเฉยพุทธโธอยู่ในใจก็ว่าได้จิตมันโลว่างโยที่ไหนไปที่ไหนถ้ามีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกอายตนะสิบสองโยอย่างนี้แหละมันก็ตัวทุกนั่นแหละท่านก็ดูโยที่กายวาจาจิตนี้ดูที่ตาดูที่ลูกดูที่หูดูที่เสียง ที่จรนาอยู่ในกายในจิตดูที่จมูกดูที่ลิ้นดูที่เลิ้นดูที่รสอาหารพานลิ้นดูที่กายดูที่สิงมาสัมผัสร่างกายดูที่ธรรมอารมณ์ดูที่จิตใจที่มาหลงอยู่ในอารมณ์กีเลก เมื่อเจตของพระองค์ตามลู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วมันก็เกาะไม่อยู่แลยกีแลดมันเกาะมาตั้งแต่อเนกชาตลดลดออกจากใจพระพพระเจ้าส่วนพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายทั้งทุกขภาวนาเอาจนมันลด เอามันหลดมันปอกก่อมันขาดตอนเองเมื่อมันพอแต่การทําการปฏิบัติของคนเรามันน้อยมันไม่พอแล้วก็อยากให้มันหลดง่ายงแล้วก็มักจะมาถามว่าหลวงพ่อจะให้ภาวนาบทใดครับมันพ้นทุกข์เร็วๆแต่ผมเนี่ยอยากจังมันพ้นทุกข์เร็ว หาทางรักกว่านให้ได้หรือนี่คือว่าเย็ดใจเราไม่มีความเพียรเหมือนสพัพ ธ, ธิจ้าความเพียร น, น้อยเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากับมาเพลาอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตาย ยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากับมาเร้าอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายยกจิตใจขึ้นมาให้สูงสอกทำไมพระพุทธเจ้านั่งมสมาธิภาวนา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 ทีนี้มัก็ตัดออกได้เองอย่างเองอย่างแั่ไม่ใช่เราไปตัดก่อนทีนี้ที่เจรณาให้มันทั่วท่วนทั่วถึงรอบคอบทุกอย่างทุกประการมันตัดเองละเองท่านให้ชื่อว่าพระอริยมรรคทั้งแตกเมื่อมันพร้อมกันแล้วมันตัดเองละเอง แต่ว่าที่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้คือว่าการเจริญภาวนาการคิดพิจารณาของคนเรามันน้อยมันไม่ทั่วถึงหรือว่ามันมองเห็นหน้าดีมันไม่มองเห็นสี่ทิศสิบทิศมันมองเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็หลงไปลืมไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ลืมท่านรู้ นั่งก็ดูนอนก็รู้ยืนก็ดูเดินไปัหนก็ดูรู้อะไรก็รู้ว่าโลกนามกายใจมันเกิดมันเจมันเจ็บมันไข่มันตายมันวุ่นวายของมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นแต่เพียงว่าธาตุสี่ขันห้ามันเป็นปัจเจกใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการเหล่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนภาวนาได้ ภาวนานั้นท่านว่าถ้าตั้งใจให้ดีให้มั่นคงเนี่นั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาเดินแบบไหนก็ภาวนาได้เดินอยู่ก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือไปเนื้อไปไก่ไปไหนก็ภาวนาได้เมื่อใจตั้งได้ละอะไรมันได้หมดละ แน่นั้นความตั้งใจให้มั่นในตัวในใจของเหานี้จึงเป็นข้อแหละที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทำคือเรื่องจิเลตในหัวใจในตัวคนเราคนอื่นจะมาแก้ไขให้นั้นไม่ค่อยได้แม่องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงตรัสว่า เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองก็เป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงตับสอนไว้แล้วให้สาวกทั้งหลายจดจำเอาเล้วนำไปปฏิบัติทำละจิตใจของตัวเองจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้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 สอนอยู่ทุกเวลาเมื่อพระธรรมตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาความเคียรความมันความขยันในจิตใจของผู้ปฏิบัติพระโยคาวจรเจ้าทางร้ายก็เร ว, ว่าเข้มแข็งเข้มข้นไม่อ่อนแอทอแท้ความทุก์เกิดขึ้นจากลูกประขันท่านก็รู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของลูกประขันเขาต้องเป็นไปอย่างนั้น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 ภาวนาทำความเกียนละทีเล็ดในใจของตัวเราเองให้หมดชิ้นไปก่อนตายจะไปรอถึงว่าใกล้จะตายจึงภาวนาพุทโธพุท โ, โธภาวนามรณะกรรมฐานเอาให้มันจบชิ้นไปไม่ได้โยดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเล่งภาวนา ถ้ามันเกิดทุกขเวทนาแลวเจตมันไปคล้องอยู่ในความทุกข์บ่หัดละหัดวางไว้แล้วมันไปถึงเวลานั้นมันปั่นป่วนหมดฉะ น, นั้นเวลาอยู่ดีสบายให้พักันตั้งใจเพอะว่าตั้งใจแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป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 สติปัญญามันกลมมากขึ้นตามรู้ตามละสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการผลที่สดที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็เป็นกำลังให้จิตใจที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสิงแปลกๆต่างๆในจิตในใจนะ เส็จใจก็เข้มข้นในการมุ่งเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละศิเลสเนและเราท่าทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนานี้ขึ้อนโยกับการกระทำของแสลบุคตจะฟังทำเข้าใจขนาดไหนถ้าไม่ เอาไปประกอบกระทําก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละต้องเอาไปประกอบกระทําจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใ จ, จของตัวเองจนเลิกละกิแลสความโกรธได้จริงละกิแ ล, ลความโลภได้จริงละกิแลสความหลงในจิตได้จริงได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละความเข้าใจในธรรม ในทางพุทธศาสนากฎแจ้งสบริสุทธิ์ขึ้นมาในตัวในใจของเราทุกคนคำว่าสติปัญญาวิชาความรู้นั้นไม่ได้เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่ได้เลือกว่าคริหักและนักบวชมันขึ้นโยกับความตั้งใจประกอบประธรรมของแต่และบุคคล เมื่อบุคคลผู้ใดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนทนมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนปฏิบัติกระทำนั้นมันก็เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมายงมีพุทธภาสิทธิข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตัสไว้ว่า อะไรไม่เหลือความเชียนท่านวา่าอย่างนั้นวิเยนทุกขมัสเจ ต, ติบุคคลจะร่วงทุกไปได้เพราะความเชียนถ้ามีความเชียนอยู่ในใจแล้วพยายามทําปัดไม่เพอะทิ้งผลที่สดพ้นทุกได้ท่านวา่าอย่างนั้น เน่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ<ม>เชื่อแน่ว่าคงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ทุกทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเยลาเอวังก็มีด้ว ย, วยกาละสนี สัพพีติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโคหินัตสตุมาเตสวัตตะวันตระโยสุขีธีคายยโกภวะอะชีวาธนศีริสนิจังวุธาปจจาิโนยัตตารโรธรรมวัมตีอายุวันโนโชขังปารัง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 ใจิตใจของพระองค์แน่วแน่มัน่นคงไม่ยึดมั่นถือมัน่นในล่างในกายพระองค์นึกในใจว่าจะเอาให้ได้ชนะมานกิเลสคำว่ามานกิเลส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 จะต้องตัดให้ขาดแลกเรานี่แหละพาให้พระองค์หรือคนสัตว์ทั้งหลายที่มาติดโย่ข้องโย่ในกรรมมาพบพบของกรรมลูกปักพบอาลูกปัพบสามพบ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 ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกอมมโลกสัตวโลกทั้งหลายผู้ใดมีอินทรีย์บารามีแก่กล้าพอที่จะโปรดจะสอนได้เพราะองค์จะสอนจะตัจะบอกแนะนำให้ไปถึงฝั่งฝาดโน้นคือนิทาน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 เพื่อตักกิเลสราคะโทสะโมหะให้เด็ดขาดลงไปในคืนวันเรือนหกเป็นนั่นเมื่มอพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวา เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือรังหัดข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงละความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวง่วงเล้าเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญร้อยแปดทนประการออกไปให้หมดสิ้นแล้วว่าคืนวันนั้นพระองค์เอาจริง ไม่ได้ออนข้อให้กิเลสกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเพลื่อนวันนี้เป็นวันเด็ดขาดตัดขาดกันเสียทีถ้าไม่ได้ตัดสู้ก็อเอาทิ่งนี้แหละเป็นที่ตายองว่าอย่างนั้น แม่เลือกเนื้อเพื่อไขรจะเหอดแห้งไจเหลือเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเพือมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั้นความจึงมันไม่ตายนะจีเรกเมันหลอกลวงโดคมเราเมตตาลูกเมตตากับลูกมันก็หลอกลวง ให้ลมหลงเนื้อเมาโย่ในโลกตนโลกทุกคนผู้อื่นโลกวัตถุเข่าของทรับถึงเงินทองโลกยาิโลกอย่างกลางโลกละเอียดมันเกดมาหลอกลวงจนจิตใจมนันลถเละเทวนาอินพรมไม่ว่าโยที่ไหน กิเลสมารสังขารมารเหล่านี้มันจับแอลมัดไว้ในโลกนี้มันจับแอลทั้งไว้ไปไหนไม่คนนั่งเฝ้าโลกนั่งเฝ้าบ้านนั่งเฝ้าแผ่นดินอยู่ในโลกในวัฏสงสามนานจนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังล้มหลงมัวเมาอยู่ คือไมภาวานาทำความเพียรละกิเลสนั่นแหละทัรมดากิเลสกิเลสนี้มันใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้มีสองพุท ธ, ธคือสัมมาสัมพุท ธ, ธเหมือนกับพระเจ้าของเรานี่หนึง่ง จะเอาชนะกีเลหมารสังขารลมารเหล่านี้ได้อย่างเด็ขดขาดเมื่อเด็ดขาดได้ตัดสู่เป็นปพระพุทธเจ้าแล้วยังทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายจงไปถึงนิพพานทั้งมนุษย์เหละเทวดาอินทรมทั้งหลายแหละสัตว์โลกที่มีอินทรีบาลามีแก่กล้า พระองค์งมงหญ่อย่างนั้นไม่ค่แค่พระองค์เองพระองค์จึงจตา้งเิตตั้งใจแน่แน่มัน่นคงไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยเมื่อยหิวไม่กลัวเป็นกลัวตายเกิดมาแล้วต้องตายใครจะไปหลบอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้ไม่ให้ตายไม่ได้ ไม่ตายมาจากท้องแม่ก็มาตายนอกท้องแม่ไม่ตายเวลาเป็นทาลกโยในผ้าอ้อมก็มาตายเวลาใหญ่ขึ้นมาหรือตายเวลากลางคนเมื่อถึงไรแกไ่ไรชรายัางเหลืออยู่ก็ต้องตายเวลาสุดท้ายชีวิต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 เมความปรารถนาบำเพ็ญทานหลักษาสนลภาวนามากมมความมุ่งมากปรารถนาขอให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกทพระองค์ทั้งห้าพระองค์เมพระพุทธเจ้าโคกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมามโนพระพุทธเจ้ากัโปโสพระพุทธเจ้าโคตมโมพระพุทธเจ้าสีอาริยเมตไยโยโพธิสัตว์เทศนานดาต้องการจะให้ได้เป็นแม่ผู้กระโจดผัสสัมมาสัมพุทธเจ้าในในโลกกาย จึงจะเข้าโซนิธานอันนี้แล้ว่าเป็นความตั้งใจของพุทธมานดานาศิลิมหามายาเมื่อพระองค์ได้กลัดสโลแลจึงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมานดาพร้อมด้วยเทพพระเจ้าทั้งหลาย ในเทวโลกในพรมโลกพระองค์เด็จขึ้นไปจำพรรษาโน้นเลยตลอดไปมากสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงมาที่ทาวโลกชาวเหล่าว่าทักบาทเทโวทักบาทเทวันดาออกพรรษา พระองค์ก็เด็จลงมาพระองค์เด็ดไปไม่ต้องเกี่ยวด้วยยวดยานพาหานะใดๆทั้งนั้นด้วยอำนาจบุญบารามีที่พระองค์ดำเป็นมามากมากเยเวลา จ, จะไปไหนมาไหนเรียกว่ารวดเร็วเหมือนกับหงายมือและคว่มมือก็ถึงจุดหมายได้ ระองใจจำพรรษาโปรโดเทวดาสัดพระธรรมเทศนากระแดงพระอภิธรรมอภี ด, ดกโปรโดเทวดาเหลือนน่นก็โปรดสอนมนุษย์โยในโลกมนุษย์ เมื่อพระองค์ยังสังฆมนทนสาวกทั้งคฤหักและบรรพชิตได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งมิทานแล้วพระองค์ก็สะเด็จดับขันเข้าู่นะหรือทานในเมื่ออายุพรรษาของพระองค์ ได้แปดสิบบริบูรณ์เตแปดส็บเตน้นก็แล้วว่าเดือนหกเพนเดือนหกเพนจึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ไปโสดเกิดนาจากท่องแม่ก็ไปโสดในป่าเรียกว่า สวนลมชินีตาไม้สวนลมชินีเป็นสวนไม้ละว่างประเทศทีแรกพุทธมารดาตั้งใจว่าจ ะ, สะเสด็จไปข้อสิ้นบ้านพอ้อมแน่ <c oughs> พอมาถึงที่นั้นก็เป็นเหตุให้ประโจนเสียก่อนเพราะว่า รบพุทธเจ้านั้นสแสดงว่าท่านเป็นโคเกิดในฝ่าู้ออกจากบ้านจากเมืองผู้ออกจากโลกพอมาถึงสถานที่นั้นก็ประสูตินะแล้วก็กลับกรุงกระบินหลับพักอันเล่ก็สำคัญอย่างหนึง่ง ธรรมดาผู้ดีวิเศษผู้จะละพระกิเลสตัดกิเลสให้หมดไปสิ้นไปผู้จะปลอดโลกผู้จะทำงานใหญ่ย่อมมีพิเศษเมื่อพระองคเด็จออกบรรญชาได้หก0ันสา ก็มาปรัชโลเป็นพระพุทธเจ้าใต้ล้มไมโพก็เป็นเดือนหกเพนโปรดเวนัยศาสตร์อยู่สี่สิบห้าปีไม่ทอดทุละทั้งกลางวันกลางคืนอายุแปดสิบบริบูรณ์ก็จะเด็ดดับขันเข้าโซนิสาระหว่างไม่หลังทัางโคู ก็เป็นสวนอีกเหมือนกันสวนไมหล่ากรงุงกุสินาราเป็นเมืองเก่าแก่โบราณแต่ว่าในยุคนั้นผู้คนก็ไม่มากเป็นเมืองน้อยแต่ถ้าพบทวนขึ้นไปในอดีตชาติแล้วที่เมืองกุสินารายนี่เป็นเมืองใหญ่โตมาหโหลน มีพระเจ้าจากกักรพรรดิตาทิละพระเดชมาทองเมืองเป็นเมืองใหญ่เมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่นาลยพานแล้วพระสาวกองค์อรหันตาทีนาศก็เชื่อจิตการพระศาสนามาโดยลำดับ จนสิ้นอายุไขทุกท่านทุกองมาโดยลำดับกว่าจะมาถึงพวกเราทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำฟ้าปล่องนี้กินเวลาหรือว่าหมดไปสองพันปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดกีนี่แล้วเราทุกคนก็เพิ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ให้ขาดนั้นทําความปีติยินดีเคยไม่ได้สำคัญกับองค์พระพุทธเจา้าเท่าไรนะักสำคัญพระธรรมพระอีไนยคาสอน